มันใหม่ๆเยอะฟังธรรมะนะฟังให้เข้าใจสักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติถ้าเราอยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะทำตามๆกันไปเสียเวลาหลายคนภาวนาหลายปีใจก็นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาบางคนไม่เพียงไม่เดินปัญญานะสะสมความรู้ผิดสะสมความเข้าใจผิดเข้าไปอีก เช่นภาวนาเนี้ยลึกลงไปเลยมันรักตัวเองแต่ละคนทุกคนก็รักตัวเองเท่านั้นแหะพอรักตัวเองก็อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากได้ความสงบอยากจะดีพอนาทําความสงบเข้ามาเนี้ยนิดๆหน่อยๆพอใจสงบแล้วพอใจแล้วชีว่าได้ละสิ่งที่ต้องการได้ความสงบบางคนได้ความสุขแล้วพอใจละภาวนาแล้วต้องมีความสุข หรือภาวนาแล้วก็แหมกิเลสมาสู้ได้ทุกทีภาวนาแบบนี้นะเราก็ไปติดอยู่แค่นี้แหละพอใจมีความสุขความสงบความดีพอใจล้าศาสนาพุทธไม่ตื้นขนาด น, นั้นหรอกาศาสนาพุทธเราต้องภาวนาจนเราไม่ทุกได้จริงๆนะแล้วก็ไม่ทุกได้โดยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ทุกแบบคนติดยาเสพติด คนติดยาแม้ก็เคริมเคลิมไปมีความสุขพวกภาวนาไม่เป็นนะ่ะติดสมาธินะจิตใจเหมือนคนติดยาเหมือนมากเลยนะหลวงพ่อเคยเห็นคนติดยาเวลากินยาเข้าไปเสพยาชียาไปมั่งเคลิมปั่นนะมีความสุขเหมือนเปียบเลยกับพวกข้าชานไม่เป็นนะ่ะเราทำความสงบอย่างเดียวน้อมใจให้เคลิมมีความสุข ศา ส, สนาพุไม่ตื้นขนาด น, นั้นหรอกบางคนหนักกว่า น, นั้นอีกเคยเจอนะพวกฝึกไเจนทังจิตดับไม่ยากเลยอยากจิตดับเมื่อไหร่นะ้ไปให้เขาวางยาสลบเคที่ <c oughs> <c oughs> พวกหนึ่งเหมือนติดยาเสพติดพวกหนึ่งเหมือนโดนยาสลบที่ภาวนาเอาอะไรเอาแค่นั้นเหรอทำไมตื้นแค่นั้นจะว่ามักน้อยสันโดษก็คงไม่ใช่เราต้องเรียกว่าไม่รู้ นี่พูดสุภาพนะจริงๆโง่เพราะไม่รู้ไม่รู้เมื่อวันอาทิตย์เทศที่ศาลาหลวงชินก่อนจะเทศนะมีคนมารอเยอะแยะเลยวันนี้คุณธนามไม่อยู่เลยคนเข้าไปได้เยอะแยะยังมีเข้าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะคิดว่าศาสนาพุทธตื้นๆ ไม่ตื้นขนาดนั้นหรอกมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนอะไรทําไมคนไปเรียนเยอะคนรุ่นใหม่ๆมาเรียนเยอะหรอกเราสอนให้รู้จักสภาวะฟังก็งงแล้วสอนให้รู้จักสภาว ะ, งงว ร, าาวะรู้ไปทําไมสภาวะคืออะไรรู้ไปทําไมนี่มีเวลาห้านาทีสิบนาทีจะเรียนนะ่ายากนะถ้าอินรียไม่แก่กล้าฟังไม่ได้หรอกแต่ถ้าอินสีแก่กล้าห้านาทีก็พอแล้ การภาวนานะไม่ได้ทำไปเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกภาวนาเพื่อหัดรู้สภาวะสภาวะมีสองอนนะรูปธรรมกับนามธรรมาเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะรูปธรรมนามธรรมานั่นเองถ้ามันมารวมตัวกันสภาวะทั้งหลายมารวมตัวกันมันก็รู้สึกว่ามีตัวเราถ้าสภาวะทั้งหลายแยกออกเป็นส่วนๆนนะั้นก็ไม่มีตัวเรา รูปธรร ม, มาก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเจตสิกก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลทั้งหลายไม่มีตัวเรานี่เรียกว่าพอเราดูสภาวะออกนะจะเห็นว่าไม่มีตัวเราถ้าดูสภาวะไม่เป็นนะสภาวะทั้งหลายมันกระจุกตัวรวมตัวเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาป็นวิธีปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ย ปฏิบัติดยที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีวแหวนสระอีพอสําเภาไม่นาอากาศฉอช้างวิพัฒชาชวิพัฒชาคือปฏิบัติแบบจําแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนะคิดว่ามีตัวตนอยู่จริงๆพอจับมันแยกเป็นส่วนๆนะเป็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วจะพบว่าไม่มีตัวตนสมัยโบราณท่านเปรียบเหมือนเกวียนสมัยนี้ต้องเปรียบแบบรถยนต์ พูเรื่องเปลี่ยนหลวงพ่อก็เรียกไม่ถูกแล้วนะอันไหนเป็นโกงอันไหนเป็นกรรมอะไรอย่เงี้ยเรียกไม่ถูกแล้วตอนเด็กๆยังจําได้มานนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเวี่ยนมานานแล้วเห็นแต่ลูกล้อที่เอาไปติดอยู่ตามร้านอาหารนะ <c oughs> เหลืออยู่แค่นั้นแล้วเดี๋ยวนี้รูจักรถยนต์เนี่ยเวลาเรามองรถยนต์เราก็มองในองค์รวมวัตถุหลายอย่างมารวมกันนะมีอะไรจํานวนมากเป็นพันๆชิ้นมารวมกันเข้ามา เราก็สําคัญมั่นหมายว่านี่รถยนต์มีรถยนต์จริงๆงเพราะเราอยากดูว่ารถยนต์ตัวจริงอยู่ตรงไหนเราค่อยๆจับมาแยกดูถอดล้ออก อ, อกไปล้อก็ไม่ใช่รถยนต์แนะ้วใช่ไหมเอาประตูออกไปเอาบาะออกไปเนี่ยแยกทีละส่วนบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ประตูก็ไม่ใช่รถยนต์แยกไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันนะจับแยกออกไปเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่ง ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่ส่วนหนึ่งพอแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันจะไม่มีตัวเราเนียภาวนาไปก็คือหัดดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไปแยกย่อยไปเรื่อยนะไม่ได้จงใจแยกนะแต่เป็นการหัดรู้สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะหัดรู้มันไปเรื่อยแล้วสภาวะทั้งหลายมันจะสอนให้เราเห็นว่าไม่มีตัวเราเรียเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยไปวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มี ผู้ใดที่จิตจำรับความจริงว่าตัวเราไม่หีมีจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันความทุกข์จะหายไปเยอะเลยหายไปหลายบเเลยไม่ใช่หายหนึ่งในสหายไปเยอะมากเลยแต่ขั้นสูงขึ้นไปนะความทุกข์มันลดลงไม่มากเพราะมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรล่ละขั้นต้นเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเลยเวลาเราดูพระริยะนะพระโสดาเนี่ยเปลี่ยนแปลง จากเดิมมากจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเนี่ยเปลี่ยนมากอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนมากนะคือตอนจากพระอนาคาเป็นพระอราหันเนี่ยเปลี่ยนมากสองช่วงเนียความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตินะจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากปุถุชนกคิดว่าย่างบอกเห็นภูเขาก็เป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้พระโสดาบันเห็นภูเขาไม่เป็นภูเขาแล้ว เห็นต้นไม้ไม่เป็นต้นไม้แล้วเห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอพลิกอีกทีหนึ่งนะตอนเป็นพระละหันนะภูเขามันก็เป็นภูเขาแล้วนะมันเป็นโดยสมมติของมันนะต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้นั่นแหละสิ่งซึ่งพ้นจากความปลุกแต่งก็อยู่ต่างหัความรู้ของพระสวัสดาบันนะจะรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับความรู้ของพระละหันนะจะรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนม่คนละเรื่องกัน ส่วนความรู้ของปุถุชนนะรู้สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติไม่เห็นหรอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดนั่นปุถุชนพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นปุถุชนเรายัางไม่เห็นหรอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับไปไม่มีตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใจมันเห็นความจริงซ้ําๆๆไปเรื่อยนะเห็นสภาวะมันเกิดดับไปเรื่อยซ้ำไปเรื่อยวันหนึงใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ในใครเคยเห็นพระเครื่องของบุญยาวาดมั้งมีคนเอามาให้หลวงพ่อดูนะข้างหลังเขียนไว้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่ท่านสอนธรรมะเบื้องตน้นถ้าใครดูพระเครื่องของบุญญาวาดถ้าพลิกดูข้างหลังนะสวยกว่าข้างหน้าข้างหน้าก็งั้นๆนะไม่ต่างกับที่อื่นข้างหลังนี่ไม่เหมือนใครข้างหลังเขียนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าใคร เข้าใจตรงนี้นะได้พระโสดาบันต่อไปท่านอาจจะทําอีกรุ่นหนึ่งพอทนได้โสดาเยอะแล้วนะไม่เกิดไม่ดับรุ่นไม่เกิดไม่ดับนะรุ่นนี้ยังมีเกิดมีดับอยู่ยงั้นพระโสดาบันเนี่ยนะจะเห็นแจ้งจะเห็นเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมดาเห็นธรรมดาของกายของใจนี้ว่ามันไม่มีตัวเราหรอก ส่วนพระละหันเนี่ยเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับพระโสดาไม่เห็นแจ้งพระนิพพานตอนบรรลุโสดาตอนบรรลุสักตาคาบรรลุอนาคาเนีเห็นพระนิพพานแวบๆเห็นแวบเดียวหรอกไม่แม่นพอตัดครั้งที่4แล้วคราวนี้แค่มานัสิการแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระนิพพานนะก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่มีการเข้าการออกอีกต่อไปแล้ว ถ้ายัางโสดาสกักถะคาอนาคาอยู่เนี่ยเวลานึกถึงนิพพานนะยังมีเข้ามีออกอยู่ต้องเข้าสมาบัติเข้าภารสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์นะจิตทรงอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนี่ถึงจะเห็นพระนิพพานแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วนะจะแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่เคยหายไปไหนเลยนะเวลามองโลกก็เห็นนะเห็นโลก แต่เห็นโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาแต่เวลาจะคุยกับใครสักคนต้องคอนเซนเทรตถ้าไม่คอนเซนเทรตนแบนราบเหมือนกันหมดเลยมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่สนใจที่ไม่ใชไ่ไม่รู้เพราะปัญญาอ่อนไม่ใช่นะหรือสมองเสื่อมไม่ใช่เพราะว่าใจมันไม่หยิบไม่จับให้มาแต่พอจะต้องสนใจใครนี้ต้องคอนเซนเทรตเลยก็จะแยกออกมาเป็นคนๆนี่รู้โดยสมมติล ถ้ารู้โดยปรมาิตย์ก็เห็นก็กลืนเป็นอันเดียวกับโลกเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกรวมทั้งสัตว์ตัวนี้ด้วยพระอรหันต์ก็เห็นตัวเองนี่ยกลืนอยู่กับโลกเป็นอันเดียวกันไม่มีแยกนะไม่แยกชั้นอยู่นี่เธออยู่นี่ของเราแยกเป็นสองรู้สึกไหมแยกเป็นสองหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอว่าถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนี่เธอจะปิ๊งเลย ารข้ามพบข้ามชาติเลยมันจะไม่มีเราที่ทิ้งไปทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเราน้ากลืนอยู่กับโลกไปเลยงั้นไม่มีแบ่งแยกเป็นสองส่วนถึงเรียกว่าหนึ่งเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเวลาเห็นโลกก็เห็นโดยปรมัตินะเวลาจาเป็นก็รู้โดยสมมุติไม่ใช่ว่าสมมุติไม่มีพวกไหนภาวนาแล้วสมมติไม่มีเนี่ยพวกเพี้ย พ่อไม่มีแม่ไม่มีคุณงามความดีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีมันมีโดยสมมุติไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันไม่ใช่มีโดยปรมัติสมมุติก็มีตามสมมุตินั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะแล้วก็ไม่รู้จักสมมติสมมติไม่จริงเวนปฏิเสธสมมติ พ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรไดก็ไม่มีเลยมีฉันอยู่คนเดียวสุดท้ายก็คือมีกูนั่นแหละไม่เอาไหนเลยเฉะนั้นถ้าเราภาวนาไปนะต่อไปถึงว่นหนึ่งเราจะเห็นสมมุติโดยความเป็นสมมุติเข้าใจสมมุติกับมันเล่นกับมันนะอย่างเราเป็นผู้บริหารทำธุรกิจเนี่ย เรารู้นะเราเป็นผู้บริหารโดยสมมุติตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเองหน่อยอาจจะเจ๊งเป็นลูกจ้างเขาหรือเจ๊งตกงานไปเลยไม่มีอะไรเลยก็ได้นี่ของสมมุติอยู่ยนะตอนนี้สมมุติว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทลูกน้องทำไม่ดีต้องเรียกมาด่าเนี่ยด่าโดยสมมุตินะด่าโดยรู้ทันรู้ว่าด่าไปอย่างนั้นแหละทำหน้าดูดูไปนะทาหน้ายิ้มหวานหวานทีหลังอย่าทำหน้ามันก็ไม่เชื่อสิใช่ไหม ต้องเล่นบทยักษเราเล่นใช่ไหมไม่ใช่จริงต้องเล่นนะเพราะนั้นผู้บริหารถึงบทโหดก็ต้องเล่นบทโหดเป็นบทเมตตาก็ต้องเมตตาเป็นนี่เล่นโดยสมมตริรู้ว่าต้องทำเล่นลพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะที่เกี่ยวกับสมมติก็มีเยอะแยะไปสอนให้ขม่มคนที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมท่านก็สอนไม่ใช่ไม่สอนไม่ใช่ท่านบอกชมทุกคนไม่ใช่ เพราะฉะบริหารจัดการอะไรไม่ได้เฉนั้นแกสมมุตินะก็เล่นกับมันให้ถูกต้องในความเป็นสมมตุติอย่าไปหลงจริงจังกับมันไม่ใช่ฉันเป็นผู้บริหารแล้วต้องบริหารตลอดมีในผลคนหนึ่งแกสม ม, มุติเก่งวันนี้นะเล่าเวลากินเหล้าเข้าไปจะนักเลงกินเหล้าแล้วใจดีเวลากินเหล้ า, ล า, ลาจะใจดีน้าพูดเล่าน้่นเล่านี่ให้ลูกน้องฟังบอกกู้นี่แปลกเว้ย เรียกตัวเองแบบพ่อขุณลามกูเป็นคนแปลกเวลากูเข้าไปในกองพลหรือเข้าไปที่ไหนนะทหารตกใจกลัวกูหมดเลยนี่ตัวแข็งเลยกลัวกูคนเดียวกูนี่ใหญ่แต่เวลาเข้าบ้านกูไม่รู้เป็นยังไงวะเ <laughs> มียกูใหญ่กว่า <laughs> นี่แกเล่นสมมติเป็นใช่ไหอนอกบ้านแกใหญ่ใช่ไหมเข้าบ้านเขาเรียกแม่บ้านนะใช่ไมเมียใหญ่ให้ให้มันใหญ่ไปมันจะได้ไม่มีเรื่องนี่ขนาด เรื่องอื่นไม่ค่อยเอาไหนนะแต่เรื่องนี้เก่งรู้จักอันไหนสมมติยังไงก็ควรจะปฏิบัติกับสมมติแต่ละอันให้ถูกต้องกบปลอดภัยสิสบายสิใช่ไห ม, มและนักปฏิบัตินะก็ต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เอะก็ประมัดหมดเลยไม่มีสมมุตินั่นโง่แล้วนะไม่ถูกต้องนะนั้นชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธสมมุติสมมุติก็มีจริงแต่มีจริงโดยสมมติมีพระมีโยม มีผู้ชายมีผู้หญิงนี่สมมุติทั้งสิน้นแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องบางคนบอกว่าทําไมหลวงพ่อตบหัวผู้ชายทําไมไม่ตบผู้หญิง <ừ. S 2> ตบต้องตบอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่ตบอย่างนี้เราเรียกถ้าเราตบตบได้ยังไงใช่ไหมเพราะโดยสมมุตินี่ไม่ได้แล้วเราก็คล้อยตามสมมุตินะโลกจะได้ไม่ยุ่งเหยิงนั้นไม่ใช่ว่าคล้อยตามสมมุติเพราะว่าเห็นดีเห็นงามอะไรหรอกก็เห็นว่ามีสมมุติแล้วโลกไม่ยุ่งเหยิง อย่างสมมุติว่าไฟแดงให้หยุดนะไฟเขียวให้ไปไฟเหลืองให้รีบเร่งเครื่องก็ไปอีกใช่โลกเขาสมมุติแบบนี้ไมไฟเขียวกูจะจอดะไฟแดงกูจะไปั้โลกก็ยุ่งเลยฉะนั้นเราก็รู้นะสมมุติโดยประมาทเราก็เข้าใจเหมือนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้าโดยท่าแท้ทำแท้นะไม่มีอะไรว่างมีความสุขล้นลนเลย การปฏิบัตินั้นเราจะเข้าใจความจริงเป็นลําดับลําดับไปเข้าใจความจริงโดยสมมุติก่อนนะเข้าใจความจริงโดยปรมาทิติปรมาทิติยังเป็นโลกิยะปรมาติที่เป็นปรมัติธรรมแท้ๆพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตตะละแล้วก็ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเหมือนกันหมดเลยถูกต้องนะไม่ไม่ทําผิดพลาดปฏิบัติได้ถูกต้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งเหมือนกันนะถูกเหมือนกันหมดเลย ดังต้องค่อยๆเรียนไปนวันหนึ่งใจเราค่อยพัฒนาความรู้ความเห็นความเข้าใจการดํารงชีวิตที่ถูกต้องเหล่านี้มาจากการเจริญสติทั้งสิ้นเลยหลวงพ่อไม่ได้เรียนอะไรมากน ะ, นะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะอย่างหลวงพ่อหรอกครูบาอาจารย์สอนไม่มากสอนนิดเดียวแต่ละงหลวงปู่ดูลบอกให้ไปดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกไปดูจิตสอนนิดเดียวอย่างหลวงปู่ทาบอกมีสติรักษาจิตสอนนิดเดียว เราปูเทศสอนนะจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้นะภาวนาไปจะนึครับถึงความเป็นใจเป็นกลางท่านอธิบายดีนะคําว่าใจท่านแปลว่ากลางใจกลางคยได้ยินไหมคำว่าใจคือกลางภาษาโบราณเลยคนไทยเก่งจริงเลยเพราะนั้นโดยตัวใจเนี่ยเป็นตัวกลาง เมื่นภาวนาไปจนใจเข้าถึงความเป็นกลางกระทุกสิ่งทุกอย่างแลพ้นจากทุกทั้งปวงนท่านสอนเนี่ยแต่หลวงสอนไม่มากกนะหลวงปู่บุตาก็สอนน้าฟังนะกายเดียวจิตเดียวหนังผื่นเดียวสอนฟังแล้วหน้าฟังดีธรรมะจริงๆสั้นชุดจู่นะธรรมะยาวๆเนี่ยโอ้ยเป็นธรรมะสนองกิเลสยาวๆที่หลวงพ่อเทศเนี่ยสนองกิเลสโยบนะ พยมมาแล้วถ้าหลวงพ่อบอกอทุกคนดูใจตัวเองไปหลวงพ่อก็จะตั้งดูของหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ได้ไม่สนองกิเลสต้องวุ่นวายเลยบางวันหลวงพ่อเลิกเร็วหน่อยยังไม่ยอมเลยจะประท้วงดีนะไม่มีประธานไม่บอกท่านประธานขอประท้วงหลวงพ่อเย่าน้นภาวนาอย่าดือ้อสอนอะไรก็ฟังหน่อยนะหัดรู้สภาวะไป เห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปดูของจริงไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นความจริงหรอกสภาวะทั้งหลายไม่มีตัวเราในนั้นร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนไม่มีตัวเราหรอกเห็นไ้มตัวที่นอนอยู่ใจเราไปรู้เข้ามันไม่ใช่เรานะตัวที่ยืนตัวที่นั่งก็ตัวที่เดินใจเราเป็นคนไปรู้เข้ามันไม่ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเดินได้นั่งได้นอนได้กินได้ขับถ่ายได้หายใจออกหายใจเข้าได้ ไม่มีตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายล่ะความสุขเป็นตัวเราไหมมีใครใครดูซิมีคนไหนความสุขเวลามีความสุขเกิดขึ้นความสุขมันบอกไหมเป็นตัวเราไม่เคยบอกเลยนะความทุกข์มันบอกไหมว่าความทุกข์เป็นตัวเราไม่มีนะคิดเอาเองทั้งนั้นเลยเมื่อยี่สิบปีก่อนหลวงพ่อเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเขาเอา ผู้บริหารแต่และหน่วยงานไปเรียนมีวันหนึ่งเขาพาไปเชียงใหม่นะพวกชอบกินเหล้าก็กินเหล้านี่แบบไต่แท้พวกชอบเที่ยวผู้หญิงก็ไปเที่ยวพวกชอบเล่นไพ่ไปไหนก็ตั้งวงเล่นไพ่มีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกชอบเข้าวัดหลวงพ่ออยู่สังกัดพวกเข้าวัดพอไปถึงเชียงใหม่นะดูเลยหาเวลาหนีขึ้นถ้ำผาปล่องกันขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปกราบหลวงปู่สิม ท่านก็ออกมาต้อนรับเราขึ้นไปเราหนุ่มกับเพื่อนเลยตอนนัะนะ้นขึ้นไปปุ๊บปบุไปถึงยอดเขาแล้วโอ้ไปถึงถ้านะท่านติดประตูเหล็กไว้เอ็ดตอนหลังๆต้องติดประตูเหล็กเพราะโยมบุกทั้งวันหลวงพ่อไม่มีประตูเหล็กมีแต่รัว้วแล้วก็ประตูเลื่อนไม่ใช่ประตูแบบของท่านยืดๆต้องมีใช่ไพอแก่แล้วสู้ไม่ไหวหรอกเพราะโยมบุกทั้งวันนี่ท่านก็กั้นไว้เราก็เห็นมีที่ท่านเคยนั่งรับแขกนะมีกรด กลุ่มไม่อันหนึ่งดูลงไป ด, ดูอย่างนี้นะหลวงปู่ไม่อยู่ในกรดไม่มีอะไรในกรดไม่มีอะไรนะัก็ถามพระนั่งอยู่ที่กระไดทางขึ้นนะติดประตูเลยพอดีมีพระมาถามหลวงปู่อยู่อยู่ไหมครับอยู่อยอ ย, อยู่ที่ไหนครับอยู่ในกรดหลวงพระานี้คงไม่รู้มั้งหลวงปู่หรืออยู่ในกรดในกรดไม่มีคนหงบนในกรดนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่กรด ท่านคงอยู่ข้างหลังรรมเดี๋ยวนะพอพักพวกขึ้นมาครึ่งชั่วโมงได้คนแก่ึงขึ้นมาถึงเราขึ้นมาถึงแหกแหกแบบนี้นะหัวใจใกล้วายแล้วหลวงปู่ออกมาจากกรดจริงๆอะ่ะเออนะเก็บกรดนะไปแล้วมาเปิดประตูให้ท่านก็ยิ้มหวานเห็นขึ้นเขามาเหนื่อยก็เลยให้นั่งพักปก คนแก่ต้องมองยังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้พักเลยยังหอบอยู่เลยนะพักก่อนแล้วจะได้ฟังธรรมะถ้าไปนั่งฟังธรรมะเอ้าขัดสม่าทเพชรใครเคยนั่งขัดสม่าทเพชรมั้งไม่เคยลองไปลองนะแล้วจะรู้รสชาติของชีวิตอีกแบบหนึง่งรู้ว่าขาใกล้จะหักหน้าตาเป็นยังไงนั่งขัดสม่าทเพชรแล้นั่งขัดหลวงปู่ก็ขัดเพชรเทศเทศเทศไปชั่วโมงได้นะ ไม่ทันถึงชั่วโมงแล้วสมาธิก็เริ่มแตกที่เราคนเพราะมันปวดถอยถอยถอยถอยเหลืออยู่สองคนนะเหลือหลวงพ่อกับพี่คนนะอยู่การไฟฟ้าภูมิภาคนั่งอยู่ได้สองคนละนั่งนั้นไม่ได้ท่านบอกอวันนี้พอละแล้วนะนะท่านก็ยิ้มหวานเป็นไงฟัทงทำแล้วเป็นไงพี่คนที่นั่งได้ตลอดนะแกบอกว่า ปวดขาครับโอ้หลว ง, งปู่ถามว่าฟังทมแล้วเป็นไงตอบได้ฉาฉาเลยปวดขาครับแล้วหลวงปู่ถามอีกนะขามันบอกว่าปวดเหรอท่านสารธรรมะแล้วนะสอนธรรมะรเห็นไหมขาไม่เคยบ่นว่าปวดเลยใครบ่นเน่ยใจเราบ่นเน่ยจิตใจเราบ่นองท่านกําลังสอนนะขาไม่ใช่เรานะแต่ท่านใช้ปัดดิ่งไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเห็นไหมขามันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราท่านไม่ไม่งย่างนั้นทนะ่านเล่นถามกลับ นะเรียกว่าปฏิปุจฉาเป็นวิธีสนทนาธรรมอย่างหนึ่งเรียกปฏิปุชชาถามกลับนะถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอพี่นี่แกก็บอกปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงพ่อหรอกไม่หลอกหลวงพ่อหรอกตอนนั้นเรืเรียกหลวงพ่อไม่เรียกหลวงปูนะ่ท่านก็ไม่พูดอะไรแนะท่านก็ยิ้มหวานจริงๆเนี่ยสภาวะนะสภาวะแท้แท้ไม่มีตัวเรา ขาก็ไม่ใช่เรานะแขนก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวภาหนึ่งเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเริ่มเห็นความจริงเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าที่กินอาหารที่ขับถ่ายอยู่เลยมันทํางานของมันไม่ใช่เราหรอกใจเป็นคนไปรู้เป็นเข้าความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราร่างกายไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราความสุขความทุกข์ก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรา โลภโกรธหลงนะกูสนทั้งหลายมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรามันก็เป็นแค่สภาวะทำอย่างหนึ่งเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองเราไปสําคัญมั่นหมายเอาเองว่าสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นตัวเราเช่นจิตมันโกรธเราเห็นว่าเราโกรธจิตมันโลภนะไม่ใช่เราโลภนะก็เราก็เห็นว่าเราโลภจิตมันหลงเราก็ว่าฉันหลงหนูหลงมากหมูนี้หนูหลงมากหนูจะทํำยังไงดีหนูโง่นั่นแหละมันไม่มีหนูหรอกะจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนะ ร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนถ้าดูสภาวะไม่เป็นมันก็เป็นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนถ้าดูสภาวะเป็นนั้นก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันก็ไม่ใช่เราหรอกเห็นจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดบางคนก็มาบทหมู่นี้คิดมากค่ะหนูเป็นคนคิดมากเห็นไหมมันยังมีคนอยู่ตลอดเวลาเนื้อภาวนายังไม่เป็นนะถ้าภาวนาเป็นจะเห็นเลยหมู่นี้จิตมันคิดมาก คราหนึ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆท่านงงมากเลยท่านบวชเนนอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเนี่ขึ้นชื่อลือชาเลยนะว่าเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเขาลือกันทั้งแผ่นดินนะในอีสานอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่เสาก็บอกกันเนนพุทธตอนนั้นท่านเป็นเนพุทธนะบอกเน้นวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยเนนงงจิตหลวงปู่ไม่สงบแล้วจิตใครจะสงบอ่ะ ก็เห็นท่านก็สงบเบิกบานอยู่นะจิตมันไม่ใช่ท่านชื่อจิตมันทำงานบางวันจิตมันก็ค้นคว้าธรรมะมันทำของมันเองนะไม่ใช่เราสักหน่อยนี่ท่านสอนธรรมะเดี๋ยวมาฟังยากนั้นจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านนะจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจิตมันสงสัยจิตมันหดหู่ จิตมันเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยเหตุกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่มีเราในกายในจิตค่ะดูไปนะอย่างพอเราเดินแล้วรู้สึกว่าเราเดินมีเราเดินเนี่ยให้รู้ทันว่ามันมีเราขึ้นมาละพอโกรธขึ้นมาเฮ้เราโกรธละให้รู้ทันว่ามันมีเราขึ้นมารู้เฉยๆนะไม่ต้องหาทางละให้รู้ลูกเดียวเลยอ้อนี่ความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราขึ้นมาผุดขึ้นมามีเราก็ผุดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็มีเขาผุดขึ้นมามันนั้นต้องมีคู่กันมีเราคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนอื่นด้วยนะ มีเรามีเขามีภายในมีภายนอกมีหยาบมีละเอียดมีสิ่งที่เป็นคู่คู่เกิดขึ้นมางั้นเรารู้สึกเอานะเวลาความรู้สึกมีตัวมีตนอะไรพุทธขึ้นมาเราก็รู้ทันแล้ร่างกายมันเดินแล้วก็เห็นกายมันเดินไม่ใช่เราเดินละถ้ามันมีเรารู้สึกชั้นเดินถึงเมื่อไหรหลงแน่นอนตอนนั้นหลงแน่ถ้าไม่หลงมันไม่มีชั้นเดินหรอกหรือชั้นโกรธเนี่ยต้องหลงนะถ้าไม่หลงก็จะเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่ชั้นโกรธ ต้องหลงนั้นโมหานี่แหละตัวต้นต่อเลยตัวหลงพอหลงแล้วมันก็มีตัวเราขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงเราปรุงเขาปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงทำที่เป็นคู่คู่ขึ้นมาทาั้งๆงที่ทำทั้งหลายก็เป็นธรรมเดี่ยวๆนะคือทำ ท, ทั้งหลายไม่ว่าอะไระเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยมันไม่ได้เป็นคู่กับใครหรอกแต่เราชอบไปเข้าคู่มันอย่างความโกรธกับความไม่โกรธเราก็บอกมันคู่กันคู่กันตรงไหนอะความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปๆๆก็จบตรงนั้นเอ ง, องความไม่โกรธมันเกิดขึ้นมาใหม่ ความไม่โกรธเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันเกิดความโลภขึ้นมาใหม่ความโลภเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดความไม่โลภขึ้นมาใหม่เห็นไหมแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเราไปจํา ม, มันคู่กันเองแลจริงๆมันเกิดแล้วมันดับโดยตัวของมันเองมีแต่เดี่ยวๆทั้งนั้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับใช่ไหมไม่ใช่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นมีคู่คู่มีคู่คู่เพราะว่าวมีสมมุติบรรัญญัติมีความคิดเจือปนเข้าไปอ้าเชิญโยมไปทันข้าวไปนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์